ทำอย่างไรเมื่อภาวนาแล้วจิตไม่เคยสงบจิตจะสงบหรือไม่สงบทําไปเรื่อยเมื่อเราตั้งใจกําหนดสติรู้รู้อยู่ในชีวิตปัจจุบันของเรานี่นั่นแหละคือการปฏิบัติสมาธิมันจะสะสมพลังของมันไวทน้ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยบางทีตลอดชีวิตเราอาจจะไม่ประสบกับความสงบคือหมายความว่าจิตไม่สงบ สว่างรู้ตื่นเบิกบานอย่างที่พระท่านเทศให้เราฟังแต่เราจะมีสติจ่ออยู่ที่จิตของเราตลอดเวลาพอประสบ ป, ปัญหาอะไรปุ๊บจิตมันจะจับไปพิจารณาของมันเองพอพิจารณาไปได้ความแล้วก็ปล่อยวางปุ๊บลงไปมันก็ทิ้งไปเลยสบายเพราะฉะนั้นอย่าไปน้อยอกน้อยใจว่าเราภาวนาไม่เป็นจิตไม่สงบทําไปเรื่อยนึกว่าภาวนาเอาบุญก็แล้วกัน